ขรรมบทแปลเรื่องนางลูกสุกรภาคที่8เรื่องที่241พระศาสดาประทับอยู่ณประเวรวนันทรงบรารพนางลูกสุกรกินอุจจระตัวหนึ่งตรัพระธรรมเทศนานิว่ายาตาปิมูเลอนุปัฏ ท, ทเวทะเลหะชินโทนิ รุโขปุณะเรวะรูหติเอวามปิตันหานุสะเยอนุหเตนิพัตตาติทุกขมิทังปุณปุนังเป็นต้นแปลว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงบุคคลตัดแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดทุกนี้ เมื่อตันหานุัยอันบุคคลยังไม่ขจัดแล้วย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแม้ฉะนั้นเป็นต้นตอนพระาศาสดาตรัสเล่ากรรมเก่าของนางลูกสุกรได้ยินว่าพระาศาสดาเสด็จเข้าไปยังกรุงราชชิกฤเพื่อบิณฑบาต่อปพระเนตเห็นหนางลูกสุกรตัวหนึ่ง จึงได้ทรงทําการแย้มพระโอษฐ์ให้เห็นขณะที่พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนทเทระได้เห็นวงรัศมีที่เปล่งออกจากช่องพระโอษฐ์จึงถามเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐ์ว่ากค่แต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนอเป็นเหตุอะไรเป็นบันจจัยที่แย้มพระโอษฐ์ให้เห็นพระโชก้าลําบบมั้น ศาสดาตรัสกับพระอานนุ์ว่าอา น, นุ์เธอเห็นนางลูกสุกรนั่นไหมเห็นพระโชาคา่าอานนุ์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรนามบ้างกกุสันทะนางลูกสุกรนั้นได้เกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในที่ใกล้รวงประชุมแห่งหนึ่งมันได้ฟังเสียงประกาศธรรมะ ของพิสุโยกาวจรรูปหนึ่งผู้กำลังสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่จุติจากชาตินั้นแล้วได้เกิดในราชตระกูลเป็นราชธิดาพระนามว่าอุปภรีในเวลาต่อมาพระนางนั้นเสด็จเข้าไปยังที่ถ่ายอุจจระท่าประเนตรเห็นหมู่นอนยังความหมายรู้ ในตัวหนอนคือปุละวกะสัญญาให้เกิดขึ้นในที่นั้นได้ปฐมชาิแล้วพระนางดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุจติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในบรมโลกจุติจากนั้นแล้วนา่งเกิดสับสนในคติที่ไปในบัดนี้จึงได้เกิดในกำเนิดสุกร เราเห็นเหตุนี้จึงได้แย้มให้ปรากฏภิกษุทั้งหลายมีพระอนตุตเทระเป็นต้นฟังเรื่องนั้นแล้วเกิดความสังเวชอย่างมากตอนราคะตัณหาให้โทษมากพระศาสดาทรงยังความสังเวชให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วเมื่อจะทรงประกาศโทษแห่งราคะตัณหาประทับ ยืนอยู่กลางถนนนั่นเองได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่ายะถาปิมูเลอนุปัฏฐเวทะเลหะชินโนปิรุขโขปุณะเรวะรูหติเอวัมบิตันหานุสเยอนุหเตนิพพันตติทุกขะมิทังปุณะปุณังยะสะ ชาติงสติโสตามะนาปัสะวะนาภุษามหาวะหันติทุติดถิงสังกัปปาราคะนิสิตาสวันติสภ ะ, ะทีโสตาละตาอุพิชตินทติตันจะทิสวาละตังชาตังมูลังปัญญายะจินทถะ สรีตานิสิเนหิตานิจโะโสมนัสสาติภวันติชันุโนเตสาตสิตาชุเคสิโนเตเวชาติชะรูปะคานราตศินายะบุรักตาปชาป ร, ริสัปปันติสะโสวพาติโตสังโยชนะสังขสัตตา ทุกขะมุเปนติปุณปุนังจิรายะตัสินายะปุรกตาประชาปริสับปันติสะโสวพาทิโตตสมาตะสินังวิโนทะเยภิกขุอากังขังวิราคะมัตตโนแปลว่าต้นไม้เมื่อรากอย่างแข็งแรงมั่นคงถึงลำต้นถูกตัดลง ย่อมงอกขึ้นได้อีกชันใดความทุกนี้เมื่อบุคคลยังกระจัดตัณหานุสัยไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นร่ำไปฉะนั้นกระแสงตัณหา36อันแรงกล้าไหลไปนในอารมณ์เป็นที่พอใจย่อมมีแก่บุคคลใดความดรํริเป็นอันมากอาศัยราคะย่อมนำบุคคล ผู้มีทิฏฐิชั่วนั้นไปกระแสตันหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตันหาดุดตะวันก็แตกขแขนงออกเถอทั้งหลายเห็นตันหาเป็นดั่งตะวันที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจงตัดรากของมันเสียด้วยปัญญามูสัตผู้ท่วมทนด้วยโสมนัสที่เพื่อนด้วยตันหาดุดยางเหนียว อาศัยความสำราญจึงมัวแต่สแสงหาความสุขคนเหล่านั้นจึงเข้าถึงชาติชาราหมูชัดถูกตันหาตัวทำความดิ้นรนล้อมไ้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระตายอันนายพรานดักได้แล้วฉะนั้นหมูชัดผูกข้องอยู่ในสังโยตและกิเลสเครื่องข้องย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆ ตลอดกาลนานมูสัด ต, ตูกตัณหาตัวทำความดิ้นรนล้อมไปแล้วย่อมกระเสือกระสนเหมือนกระตายอันนายปรานดักได้แล้วฉะนั้นประเหตุ น, นั้นภิกษุเมื่อหวังทรรมเป็นที่สารอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัณหาตัวทำความดิ้นรนเสียดังนี้ตอนแก้อัด ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามู่เลแปล ว, ว่าเมื่อรากเป็นต้นหมายความว่าต้นไม้ใดเมื่อรากทั้งห้าที่แปรไปในทิศทั้งสี่และยังตรงลงข้างล่างชื่อว่าอย่างแข็งแรงเพราะไม่มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งมีการตัดการพาและการเจาะเป็นต้นชื่อว่ามั่นคง เพราะถึงความเป็นของมั่นคงต้นไม้นั้นแม้ถูกบุคคลตัดข้างบนย่อมงอกขึ้นได้อีกเรื่อยไปด้วยเกิดเป็นกิ่งใหญ่กิ่งน้อยฉันใดทุกนี้มีความทุกข์คือการเกิดเป็นต้นเมื่ออนุสัยคือความนอนเนื่องแห่งตันหาอันเป็นไปทางทบาลหกอันอรหัตตะมักขยานยังไม่ขจัด คือยังตัดไม่ขาดแล้วย่อมเกิดในภพนั้นนั้นร่ำไปฉะนั้นเหมือนกันคำว่ายัตตะแปลว่าแก่บุคคลใดหมายความว่าตัญหาที่ประกอบด้วยกระแสะ36ได้แก่ตัญหาวิจริตอิงอยิยตนะภายใน18ตปัญหาวิจริตอิงอยิยตนะภายนอก18นี่แหละ ชื่อว่าไหลไปในอารมณ์เป็นที่พอใจเพราะอัตถะวิเคราะห์ว่ า, ว า, ยาย่อมไหลไปคือเป็นไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นอันเป็นที่ชอบใจเป็นธรรมชาติแรงกล้าคือมีกําลังย่อมมีแก่บุคคลใดความดำริทั้งหลายที่ว่าเป็นอันมากเพราะมีมากโดยเกิดขึ้นบ่อยๆไม่อาศัยชาน หรือวิปัสนาแต่อาศัยราคะย่อมพาเอาบุคคล น, นั้นผู้ชื่อว่ามีทิฏฐิชั่วเพราะความเป็นผู้มีญาณวิบัติไปข้อที่ว่าสวันติสัมพาทีโสตาแปลว่ากระแสตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปนในอารมณ์ทั้งปวงหมายความว่ากระแสตัณหาเหล่านี้ ชื่อว่าย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงเพราะไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงมีรูปเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งจักรกุธบาลเป็นต้นหรือแม้ตัณหาทั้งปวงคือรูปตัณหาสัท ธ, ธาตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธิบัตตัณหาธรรมตัณหาชื่อว่าย่อมไหลไปในที่ทั้งปวง เะไหลไปในพบทั้งหมดคาาาาดดามําว่าละตาแปลว่าตัณหาดุดเถาวันหมายความว่าตัณหาที่ได้ชื่อว่าเถาวันเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นเหมือนเกลือเถาโดยอัตถว่าเป็นเรื่องผัวพันธุ์และโดยอัตถาว่าเป็นเรื่องเรื่องรันไว้คําว่าอุพิชะติถติ แปลว่าแต่แขนงออกหมายความว่าปัญหาดุดเถาวันเกิดขึ้นจากเถวาวันทั้งหกแล้วย่อมตั้งอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นคำว่าตันจะทิสว่าแปลว่าเมื่อเห็นตัญหาแล้วนั้นหมายความว่าก็ท่านเห็นตัญหาดังเกรือเถานั้นด้วยสามารถแห่งที่ที่มันเกิดว่า ตนานานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นที่นี้คำว่าปัญญะแปลว่าด้วยปัญญาหมายความว่าท่านทั้งหลายจงตัดที่รากด้วยมัคคัปัญญาดุดบุคคลตัดซึ่งเขื่อเถาได้เกิดในป่าด้วยมีดคำว่าสริตานิแปลว่าท่วมทน้นได้แก่แพร่ซ่านไป คือซึมทราบไปคำว่าสิเนหิตานิจะแปลว่าที่เพื่อนด้วยตัณหาดุดยางเหนียวหมายความว่าชุ่มด้วยความอยากอันเป็นไปในบริขารมีจีวรเป็นต้นอธิบายว่าอันยางเหนียวคือตัณหาชราบท่าแล้วคำว่าโสมนัสานิแปลว่าโสมนัส หมายความว่าโสมนัสทั้งหลายเห็นบ่า น, นั้นย่อมมีแก่สัตว์ผู้เป็นไปในอำนาจตันหาคาว่าเตสาตสิตาแปลว่าอาศัยความสาราญหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งตันหาเป็นผู้อาศัยความสาราญเพื่ออาศัยความสุขนั่นเองจึงเป็นผู้สแสวงหาความสุข คือเป็นผู้ส่อหาความสุขคำว่าเตเวแปลว่าคนเหล่านั้นหมายความว่าเราคนผู้เห็นป่านนี้ย่อมเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายโดยแท้ฉะนั้นจึงเป็นผู้ชื่อว่าชาติชารูปคาแปลว่าเข้าถึงชาติชราคำว่าประชา แปล ว, ว่าหมู่สัตว์หมายความว่าสัตว์เหล่านี้เป็นผู้อันตัญหาที่เรียกว่าความดิ้นรนเพราะทําความสะดุง้งแวดล้อมคือห้อมล้อมแล้วคําว่าพาที่โตแปล ว, ว่าอันนายพรานดักได้แล้วหมายความว่าย่อมกระเสือกระสนคือหวาดกลัวดุจกระต่ายที่นายพรานดักได้ในป่าคําว่า สังโยชนะสังะสัตตาแปลว่ามูสัตว์ตววผู้คล้องอยู่ในสังโยตและกิเลสเครื่องคล้องหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อันสังโยชนสิบอย่างและกิเลสเครื่องคล้องเจ็ดอย่างมีราคะเป็นต้นผูกไว้แล้วหรือเป็นผู้ติดอยู่ในสังโยชตเป็นต้นนั้นคําว่าจิรายะแปล ว, ว่า ตลอดกาลนานหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงทุกมีชาติเป็นต้นร่ำไปตลอดกาลนานคือตลอดการยืดยาวคำว่าตัสมาแปลว่าเพราะเหตุนั้นหมายความว่าพระสัตว์ทั้งหลายผู้อันตัญหาซึ่งทำความสะดุ้งล้อมไว้คือรึงรัดไว้แล้วฉะนั้นเมื่อภิกษุปรารถนา คือหวังอยู่ซึ่งทมที่สิ้นกำหนัดคือวรณิปานนั้นปราศจากกิเลสมีราคาเป็นต้นเพื่อตนพึงบรรเทาคือพึงกลับไล่น้ำออกทิ้งเสียซึ่งตัหนหอันทำความสะดุกนั้นด้วยอาราัตมรรมนั่นแหละในเวลาจบเทศนาจนเป็นนันมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้น ฝ่ายนางลูกสุกรนั่นแหลตายจากสุกรแล้วไปเกิดในราชตระกูลในสุวรรณภูมิจากชาตินั้นได้ไปเกิดในกรุงพาราสีเหมือนเดิมอีกชุติจากนั้นไปเกิดในเรือนพ่อค้ามา้าที่ท่าสุ บ, บารกะจากนั้นไปเกิดในเรือนของนายเรือที่ท่าข่าวิระจากนั้น ไปเกิดในเรือนของอิสระชนในเมืองอนุราธาบุรีจากนั้นไปเกิดเป็นธิดาในเรือนของกุกุมพีชื่อสุมานณะในหมู่บ้านเพกะกันตาคามทางทิศใต้ของเมืองอนุราทบุรีได้ชื่อว่าสุมนาะต่อมาเมื่อบ้านเกิดร้างบิดาของนางได้ย้ายไปแคว้นทีฆาวาปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อมหามุนีคามอมาตของพระเจ้าทุตตคามณีนามว่าละกุณทกะอติมาพรไปที่บ้านนั้นด้วยธุระบางอย่างเห็นหนางแล้วทำพิธีแต่งงานอย่างใหญ่โตพานางไปอยู่บ้านมหาปุนคามครั้งนั้นพระมหาอตุลติร ะ, ระผู้อยู่ใน มหาวิหารชื่อโกติปันพศไปบินดาบาด ท, ที่บ้านนั้นยืนอยู่ที่ประตูบ้านของนางเห็นนางแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุนางลูกสุกรแท้ๆยังได้เป็นถึงภรรยาของมหาอามาตย์ชื่อละกุณะทกะอติมาพรโอ้น่าสะัจนจริงนางนั้นได้ยินคำนั้นแล้วระลึก ย้อนถึงพบในอดีตเกิดยานระลึกชาติได้ในขณะนั้นนั่นเองนัางเกิดความสังเวชจึงขออนุญาตสามีบวชในสำนักพระเทรีคณะเบญจพลด้วยอิสริยยศอย่างใหญ่ได้ฟังคาถาพนาณามหาสติปฐานสูตรในติสมหาวิหารแล้วตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลภายหลัง เมื่อพระเจ้าทุตตะขามณีทรงปราบทมินได้พระสุมนาเทอรีกลับไปหมู่บ้านเพกะกันตะคามซึ่งเป็นถิ่นของมารดาบิดาเดิมอยู่ในหมู่บ้านนั้นฟังอาศีวะสูปะมะสูตรในกัลละกะมหาวิหารบรรลุพระราหัตแล้วในวันที่ท่านปรินิพานเมื่อพวกภิกษุณีสักถาม พระเถรีได้เล่าประวัติทั้งหมดนี้อย่างละเอียดแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้วเข้าร่วมกับพระมาหาติสติระผู้กล่าวบทแห่งธรรมอยู่ในมันทลารามในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ผู้ประชุมกันกล่าวว่าในกาลก่อนข้าพเจ้าจุติจากกาเนิดมนุษย์แล้วเป็นแม่ไก่ถูกเยี่ยวกัดคอขาดในชาตินั้น ไปเกิดในกรุงราชกฤตแล้วบวชในสำนักนางปาริภาชิกาได้ปตมชาญจุติจากชาตินั้นไปเกิดในตระกูลเศรษฐีต่อมาไม่นานก็ตายไปเกิดเป็นสุกรจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในสุวรรณภูมิจากนั้นไปเกิดในเมืองปาราสีจุติจากชาตินั้นแล้ ว, ไ ป, ว, ไ, ปาาลวไปอยู่ท่าสุปารกกะ จุติจากชาตินั้นแล้วไปสู่ท่าขาวิระจากนั้นไปอยู่เมืองอนุราธาบุรีจากชาตินั้นไปอยู่หมู่บ้านเพกะกันตะคามข้าพเจ้าเกิดใน13ชาติดีบ้างเลวบ้างดังกล่าวมานี้บัดนี้เกิดในกำเนิดสูงสุดแล้วขอท่านทั้งหลายทั้งปวงจงยังทำเป็นกุศลทั้งหลาย ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดหนังนี้แล้วยังบริษัททั้งสี่ให้สังเวชแล้วประนิผ่านแล้วแหละเรื่องนางลูกสุกร